วันที่25มกราคม2507ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเราเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนาคือพระของพระพุท ธ, ธเจ้าได้แกลูกศิตพระาถาคตรองอยาเห็นสิ่งอื่นใด ว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในตัวของเราถ้าเรามีความรู้สึกในพระของเราว่าเป็นของมีคุณค่าอยู่ประจำตัวทุกๆขนะดแล้วอาการเคลื่อนไหวทุกๆอาการจะเป็นไปเพื่อความเยบรกอยนไม่ทำ พระของเราให้ด้อยลงภายในตัวของเราเองแต่ถ้าเห็นสิ่งอื่นว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระของตนแล้วนั่นแหละพระของเราจะเริ่มลดคุณค่าลงไปโดยความประพฤต เือเสียต่างๆเพราะเห็นแจ่สิ่นภายนอกว่าเป็นของหนึ่งคุณค่ายิ่งกว่าพระของคนพระเราจรึงกลายเป็นเรื่องตะเกียรตะกายไปตามสิ่ทั้งหลายโดยเจ้าตัวไม่รู้ดังนั้นการปฏิบัติ ทุกทุกข้อที่ดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการส่งเสริมพระของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นตนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลา หลกฐานของพระคือใจมีความรู้อยู่จำเพาะตนทุกทุกขณะทั้งหลับและตื่นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นาศาสดาของโลกขึ้นมาพระองค์ท่านก็ทรงอาศัยความรู้ที่เรียกว่าใจนี้เอง เป็นภาค พ, พื้นแห่งความวิเศษทั้งหลายพยายามเจรณัยพระองค์จนเต็มความสามารถแล้วได้ปรากฏเป็นศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบวหายใจจริงเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ผู้สนใจต่อความดีเพื่อตนจึงไม่ควรปล่อยใจให้เป็นไปตามน้านของสิ่งที่จะทำลายและทำใจให้เสียความดีของตนลงไปเราที่มาบวชในพระพุทธศาสนา สะละทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะอบรมจิตใจของผมให้เป็นไปตามแนวทางคําสอนของพระพุทธเจ้าผลที่จะปรากฏขึ้นจากการดำเนินผิดทางนั้นเบื้องต้นก็คือความสงบเย็นใจ อันดับต่อไปซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ทอดทุละในทางความภาคเพียนยอมจะเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดและเยือกเย็นยิ่งขึ้นสามารถจะเห็นสิ่งลี้ลับซึ่งเกือ้แกงอยู่ภายในใจที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อน ได้โดยชัดเจนเพราะอำนาจของความฉลาดของใจที่ได้รับการอบรมฝึกผลเสมอเราจะเห็นสิ่งใดในเพศแห่งนักบวชของเรานี้ ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงป ร, ท ป, รรทททประทานไว้สำหรับพระโอวาททุกบททุกบาทที่ประทานเอาไว้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเกื้อจะประดับกายวาจาใจของเราให้มีสง่าราศีภายในตวัวเอง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 เป็นที่สงสัยนอกจากว่าเราจะพยายามวีเปลงขันขวายบำเพ็ญหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นลำดับเท่านั้นเพราะฉะนั้น <_ EN> เราจงมองดูตัวของเราให้รอบทุกอาการเคลื่อนไหว ว่าจะเป็นไปเพื่อถูกทางหรือไม่จิตที่ทำทุกอย่างขอให้มีความตรงใจคือมีความรู้สึกอยู่กับธุระหน้าที่ของตนอย่าให้เผลอเลยผู้เห็น ข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของตนว่าเป็นของไม่จำเป็นภูนั่นคือว่าเป็นภูมิหมดคุณค่าภายในตัวไม่สามารถจะรื้อฟื้นตนขึ้นมาให้เป็นผู้มีคุณค่าอันสูงได้ ที่เราทําอยู่ทุกวันมีการปัดกวาดตามผุดงขวัตที่พระองค์ท่านประทานมาแล้วด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องทนะํามะจิตใจดวงนี้ทั้งนั้น ตรงถือว่ากิจทั้งทั้งนี้เป็นของจําเป็นทุกระยะและทุกข้อด้วยและทำกิจเหล่านี้ด้วยความสนใจและเต็มใจเมื่อกิจภุรนาทีที่เราทำลงไป <c oughs> ด้วยความตรงใจผลจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนขึ้นมา ให้เราเป็นผู้มีความสำคัญในตนขึ้นทางกายก็สำคัญทางวาจาก็สำคัญทางใจก็สำคัญเพราะเป็นไปด้วยความตรงใจซึ่งเรียกว่าเป็นการถูกทำถ้าทำสิ่งใดด้วยความเถลอเลยโดยไม่ตรงใจนั้น คนจะได้ก็มีเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นยังจะเป็นเทศททำคนปุนนั้นให้เป็นคนเคยชินต่อความเผลอเลยแล้วหาชิ้นดีไม่ได้แม้จะทำงานดิบ ก, ก็หมู่คณะก็ทำโดยวิธีเผลอเลยจะทำงาน ประจำหน้าที่ของตนโดยเฉพาะก็จะเป็นผู้เผลอเลยอยู่เช่นนั้นเลยไม่มีขณะหรือเวลาใดจะเป็นไปเพื่อความมีสติมีความจงใจประจำหน้าที่ครั้นต่อไปต่อไปก็กลายเป็นคนหลับหลอยหาหลักยึดไม่ได้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 อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะความเดือดร้อนบังคับใจหาที่ร่มเย็นไม่ได้ภายในตัวเองทั้งเทศที่เป็นพระผ้นี้เละเพราะฉะนั้นผู้ตั้งหลักฐานเพื่อตนเองให้เป็นความมั่นคง เป็นลำดับไปแล้วจึงควรถือปัจจุบัน <c oughs> เป็นที่ตั้งหลักตั้งฐานต่อตอนเองอย่าไปถือวันหน้าเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปถือการปฏิบัติตีปฏิบัติชอบเพื่อเดือนหน้าปีหน้าจงถือปัจจุบันในตัวเองทุกขณะ ที่จะทำติดการงานอันใดใดเป็นเครื่องปรับปรุงตัวเองอยู่ภายในนั้นจนเป็นผู้ชินต่อ น, นิใสัยในหน้าที่ของตนเรียกว่าการดัดแปลงตนเองตรวจถือหลักปัจจุบันเป็นที่ตั้งอย่าไปพึ่งพิงอิงอาศัยอดีตอนาคต ที่ผ่านมาแล้วและยังไม่มาถึงให้นอกจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่คิดความดีและความชั่วให้บุคคลและตัดูทุกขณะในภายในตัวของเราที่จะเป็นคนชั่วในอนาคต ต้องปรากฏตัวเป็นคนชื่ออยู่ในขณะปัจจุบันแล้วปัจจุบันเป็นคนชั่วเรื่องผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องปรากฏเป็นความดีถ้าปัจจุบันปฏิบัติตนด้วยดีผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องปรากฏเป็นความดีขึ้นมา แม้วันพรุ่งนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าก็ตามโปรดได้ทราบว่าเราเป็นตัวปัจจุบันที่จะดำเนินคุณงามความดีของตนไปตามลำดับแห่งมืม้อวันปีเดือนโดยเฉพาะภายในตัวของเราทุกท่าน ฉะนั้นการตั้งตัวให้เป็นไปเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความเป็นผู้มีหลักแหล่งภายในตัวเองจึงควรถือหลักปัจจุบันดูแลสอดส่องตัวเองด้วยข้อวัดปฏิบัติ คิดหรือถูกโปรดได้สังเกตตัวเองอยู่ทุกๆเวลามีทันเรียกว่าปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันเหมือนอย่างต้นผลไม้เมื่อปรากฏขึ้นครั้งแรกก็เป็นต้นเล็กๆแต่อาศัยการบำรุงลำต้นอยู่เสมอจากต้นไม้ต้นเล็กๆนั้น ก็ปรากฏเป็นต้นเติบโตขึ้นมาจนถึงกับได้รับดอกรับผลตามความต้องการเรื่องการบำรุงตัวของเราด้วยความเป็นปัจจุบันสอดสองตัวของตัวอยู่เสมอทุกขณะนี่แหละจะเป็นเหตุให้เรามีความตตเติบโตขึ้นด้วยคุณงามความดีความฉลาดรอบคอบ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 อยู่เสมอเนี่ความรู้ของเราเพียงเล็กน้อยแต่จะกลายเป็นความรู้ความฉลาดสามารถขึ้นมาก็ออกเพราะการบำรุงตัวเองความดีกะ น, น้อยแต่ได้รับการบำรุงด้วยความดีเสมอจะกลายเป็นความดีที่ใหญ่โตขึ้นมาภายในบุคคลคนนั้นหลักของความเทียน เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วเรื่องของสติเป็นรากฐานของความเพียนจะทำธุระหน้าที่ใดๆอย่าให้สติพลากจากจิบการนั้นๆสติจะเป็นความเคยชิน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 เพราะอำนาจแห่งสติเป็นเครื่องประคองรักษาถ้าผู้ใดไม่เห็นเรื่องสติเป็นของสำคัญในทางความเปลี่ยนด้วยแล้วผู้นั้นจะเป็นคนเผลอเลอไปตลอดปันตายและจะไม่มีความดีอันใดเกิดขึ้น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 ในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั่นแหละลมยาเพราะต้องทราบลมปันกลางลมละเอียดต้องทราบละเอียดเข้าไปขนาดไหนเพราะอำนาจของสติรับรู้อยู่ทุกๆุกขณะก็ต้องทราบไปทุกระยะการ ถึงกับกจิตมีความสนิทเต็มที่ภายในตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมเลยก็ต้องสับเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบแล้วละว่าเรื่องของสติมีความสำคัญแค่ไห น, นเราจะส่งออกมาภายนอกในอียาบดยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติเป็นเครื่อง รักษาดีเสมอย้อนเข้าสู่วงในได้แกบพิจารณาภายในสติก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วเพราะความที่เคยฝึกขนอบรมอยู่เช่นนั้นเมื่อเราจะน้อมจิตไปสู่กิจธุระหน้าที่ทั้งภายนอกและภายในส่วนหยาบและละเอียดสติจะเป็นผู้ทาหน้าที่ ช่วยบำรุงจิตใจของเราให้เป็นไปเพร่อความสะดวกและเห็นชัดในสิ่งที่ตนพิจารณาอยากจะทราบจะไม่นอกเหนือจากเรื่องของสตินี้ไปได้เลยเพระเนาะฉะนั้นบรรณาท่านผู้ถึงธรรมอันเลิศมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจริงตรงให้นำสติ ประเภทนั้นว่ามหาสติปัญญาที่จะเป็นมหาปัญญาไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งสติเป็นเครื่องเสริมปัญญาก็กลายเป็นมหาปัญญาไปได้ด้วยอำนาจของสติที่มีกำลังกล้าจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาธรรมของพระพุทธเจ้า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 ที่รวมเป็นกองอยู่ภายในตัวของเราทั้งตัวนี้ขอให้ยังความเพียรลงในกองแห่งขันนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นเรื่องของขันโดยชัดเจนทั้งรูปรขันทั้งเวทนาขันทั้งสัญญาขันทั้งทั้งสังขารขัน และวิญญาณคันโดยไม่ต้องสงสัยและจะไม่มีอะไรสามารถมาปิดบงังลี้ลับขันที่ประกาศตัวเองอยู่ภายในดวงเหล่านี้ไว้ได้ว่าจะไม่สติและปัญญาสามารถตู้แจงแทงตลอดในสภาวะเหล่านี้ขันอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสภาพตัวเอง จากความเป็นของจริงนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วผู้ปฏิบัติตามสวาขาตธรรมที่พระองค์ท่านประทานมาหเหตุได้ผลรายได้ที่จะปรากฏขึ้นแก่นักปฏิบัติผู้ทำโดยถูกต้องตามแนวทางนั้นจะปรากฏเป็นอื่นขึ้นมา ธรมมัชชิมาปฏิปทาคือเครื่องดําเนินเป็นศูนย์กลางนั้นถ้าเราไปหมายตามถนนห้นทางอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะเรื่องนั้นเป็นด้านวัตถุปีนี้อาจจะเปลี่ยนทางสายนั้นเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนทางสายนี้เป็นอย่างหนึ่ง และบำลุง ท, งทางสายนั่งเจริญขึ้นและอาจจะทางสายนี้เสื่อมลงก็ได้แต่ธรรมะจิมาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างถนนห้นทางถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วแต่มีอยู่ในศูนย์กลางของกายเวทนาจิตธรรมนี้แล้ว มัชิมาของขพระพุทธเจ้าจะไม่เปลี่ยนสภาพเป็นอื่นไปเลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงพิจารณาคำว่าทุกขังอริยสัจจังเคยชินต่อหูต่อใจและมีอยู่ทุกๆุกเวลาภายในกายในใจของเราด้วยโปรดได้พิจารณา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 ไม่ใช่เป็นการตัดหนามกั้นทางตัวเองเราอย่าไปปักปันเขตแดนบังคับทุกข์ไม่ให้แสดงขึ้นมาในเมื่อทุกข์เขามินเป็นของจริงอยู่อย่างใรโปรดได้พิจารณาตามหลักของทุกข์ที่ประกาศตัวเป็นของจริงอยู่นั้นโดยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบทางปัญญาไปตามสายทางแห่งทุกข์ เราจะเห็นทุกเป็นของจริงขึ้นมาประจักษ์ด้วยปัญญาของเราซึ่งก็เป็นของจริงอันเมื่อเราไม่เห็นทุกทั้งทั้งที่ทุกมีอยู่กับเราซามูไยก็มีหน้าที่ที่จะต้องคิดทุกขึ้นมาให้เราได้รับความทุกข์ความลำบากเสมอไปไม่มีเวลาหยุดยั้งเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาให้เห็นเรื่องของทุก ที่มีอยู่ภายในกายและภายในใจของเราเป็นลำดับไปแล้วเรื่องของจมูกไทยก็เป็นอันว่าจะค่อยระ ง, งับลงไปเพราะอำนาจแข็งมากคือปัญญาและสติเป็นผู้พิจารณาการปฏิบัติ ตัวเองถ้ามองข้ามตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของตัวเองอ่านทุกสมุทัยนิโรธมกักวันยังคำคืนย่างลุ่งแต่ไม่ได้อ่านตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของทุกสมุทยัยที่มีอยู่ภายในตัวถ้าเรามาอ่านตัวของเราก็แสดงว่าอ่านสัจธรรมสัจธรรมก็มีอยู่สี่ ถ้าอ่านตัวของเราแล้วก็จะรู้ชัดในสัจธรรมทั้งสี่นั้นแล้วเราจะมีปัญหาอะไรกับทำสอนอพระมุิติเจ้าอีกแล้วมักมาอา่านทุกอ่านสมูทยัยภายในตัวของเราเห็นชัดแล้วเรื่องนิโลธะคือความดับหรือความแจ่มแจ้ง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 เป็นตัวอยู่ทั้งตัวเราทําไมจึงจะอ่านไม่ออกการะดานในโรงเรียนเขายังมีที่มีฐานมีการมีเวลาแต่ตัวหนังสือตัวทุกตัวสมูทัยนี้มีอยู่ภายในตัวของเรานี่ทุกเวลาทําไมจึงอ่านไม่ออกมีเนื่องจากจิตของเรา มองเลยขอบเขตความจริงนี้ไปหลักความจริงจริงไม่แสดงขึ้นมาให้เป็นเครื่องตอบแทนอย่างสมใจเพราะฉะนั้นปรดได้ดูเรื่องของเราซึ่งไม่กว้างไม่แคบไม่ลึกไม่ตื้นมีความรับรู้กันอยู่ทุกๆุกขณะ ในกายในใจของเรานี้ตองดูให้เห็นชัดและบังคับจิตใจของตนให้มีเขตแดนอย่าให้เพลินผ่านออกไปตามอำเภอใจจะไม่มีผลดีอันไนเกิดขึ้นมองดูเวลาไหนก็เห็นอยู่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 การเทศนานี่ก็เป็นเวลานา น, านผลจะรับจากท่านผู้ปฏิบัติไปรี่รับอยู่ที่ไหนท้ายกับว่าเขาสุ่มปลาในองค์ที่ไม่มีปาดเทศธรรมะคำนองสอนของพูพธิจา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 ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาความจริงที่จะเกิดขึ้นนั้น็ได้อธิบายให้ฟังแล้วในจุดที่จะให้พิจารณาหรือให้บาเพ็บเราควรจะทดสอบจิตใจของเราขณะที่นั่งภาวนาก็ดีหรือขณะเดินจมกรมก็ดี ว่าระยะที่นั่งหรือเดินอยู่นั้นขณะที่จิตไม่มีความเผลอเลอไปนั้นตนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างและขณะที่จิตได้เผลอเลอไปนั้นตนเองได้มีความรู้สึกเป็นผลอย่างไรบ้างควรจะนำมาเทียบเทียมกันเพื่อจะได้เพิ่มส่วนที่บกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาภายในตั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 ไม่ทราบว่าจะเทพไปยังเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างที่อธิบายให้ท่านาูฟังทราบทุกๆระยัดผลจะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ส่วนหยากเป็นลำดับกำดับไปย่อมจะเกิดขึ้นจากธรรมที่ได้อธิบายมาแล้วทางไหน น, นอกจากนี้แล้วไม่เห็นมีทางไหน